ก่อนเกิดเป็นดังตรินตอนรู้สึกผิดที่เกิดมาโดยดังตริน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 บทความโดยดังตรินจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่61เดเสียงอ่านโดยโจโช